ที่เจ้าทรงแสดงเอามาเป็นโสตธรรมวัดเท้าทําวัดเย็นเรื่องของเรานี่เลยการฟังธรรมกอฟังเรื่องของเรานี่เรื่องของเราก็มีกายมีใจถ้าใครตั้งอยู่นี้มีกายมีใจก็จงฟังบ้างมีสติมีไหมหรือมีแต่ความหลง ถ้ามันมีสติกอาเพียนประกอบให้มันมีขึ้นมาจะปล่อยที่งไปจำเป็นถ้าไม่มีสติก็เหมือนเกิบกายใจไม่มีเจ้าของไม่มีใครดูแลเตือนถมสอนก็จะหยิบไปใช้เลยก็ได้จะให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทษโกรธเปียดเชื่อแฉ้ง อะไรก็ได้ถ้ากายใจไม่มีเจ้าของเพื่อาปาเทือนเรามีกายก็ยังพึ่งกายไม่ได้เรามีใจก็ยังพึ่งใจไม่ได้เอากายไปทําชั่วเอาใจไปชิดชั่วเป็นความผิดศินผิดธรรมเพราะกายเพราะใจไม่มีเจ้าของไปตกระนรกไปเป็นเปนเป็นสุรกาย พอกายใจไม่มีเจ้าของถ้ามีสติจะเป็นเจ้าของแล้วไปสวรรค์นิพพานได้ไดชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อย่าปล่อยทิ้งมาดูแลกายใจของเราเนี่ยการมาดูแลกายใจให้คุ้มเรียกว่าปฏิบัติธรรมดูให้มันปลอดภยัยกันไม่มีภยัย ไม่มีภัยเรียกว่าที่สุดแห่งทุกขโมจันบริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิญถ้ามันมีประโยชน์ปลอดภยัยแล้วผู้อื่นสิ่งอื่นก็ปลอดภยัยอยู่ด้วยกันดูความสงบร่มเย็นถ้าว่ามันมีภัยอยู่ในชีวิตเราไม่ดูแลก็เป็นทุกข์เป็นโทษจอคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นได้ จนมีตำรวจทหารมีตัวบทกฎหมายมีคุกมีตารางเพราะคนไม่ดูแลตัวเองรักษาตเตงไม่คุ้มจะจับคุมคุมขังที่คุกขังเอาไว้ตลอดชีวิตก็มีถึงปล่อยไวปมันจะดูไล่ไปทำลายคนอื่นฉิ่งอื่นต้องขังไว้มันก็ปัญหา เราจึงมาศึกษาซะให้มีการเริ่มต้นซะแต่มันเริ่มต้นมันมีโทษอย่างฟันเรานี่ยถ้าเราไม่รักษาก็มีโทษทําให้เจ็บปวดทําให้ไม่มีฟันเชี่ยวอาหารแารรักษาดีๆก็มีฟันใช่ตลอดชีวิต บางทีอายุมากแกเท่ามาจึงมารักษาฟันก็เอามาอยู่แม่สุขภาพร่างกายนี่ใช่เปตตาปะไปกินอะไรก็กินกินเหล้าสูบุหรี่ก็เป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อมารู้สึกตัวก็เอาไมา่อยู่เินแล้วเป็นโลกตายเพราะไม่ดูแลรักษา ถึงมาประพฤติธรรมวจรให้บริสุทธิ์อมีสติเนี่ยพอยดูแลให้มีการเริ่มต้นถ้าไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่เสมอให้มันตั้งหลักไว้ดีๆการเริ่มต้นคือธรรมวินัยเนี่ยเหมือนกับปลูกต้นไม้ โขข้าวลากันฝั ง, งลงดินเมื่อลากก็ไม่ลงไปสู่ดินมันก็เจริญงอกงามเองแต่ลากเหมือนทำใ้ในลำต้นเหมือนหายใจก็เกิดโดกออกผลมีลากมีลำต้นมีจริง กานสาขามียอดเกิดออกก่อผลนดากันสำคัญเรียกว่าวิหนรมวิหนวิในวิคือวิเศษในยะนำไปสู่ความวิเศษชิดจะทำจะพูดจริงได้ให้มีแบบฉบับแบบความเป็นพระมาเข้าแบบมาเข้าพิมพ์จะ อ, ออกแบบ แบบกายแบบใจ ม, มีอยู่คิดคิดให้เป็นถ้าทำทำให้เป็นเรียกว่าแบบแบบมันหล่อเสาต้องการเสาเดี่ยมก็ทำพิมพ์เดี่ยมเลียมต้องการเสากลมก็ทำพินก์มกลมต้องการรูปอะไรก็ทำพิมพ์ดีๆพิมพ์ดีรูปมันดีเรียกแบบฉบับแต่ลามีสติ มันก็เป็นแบบมีสติบวญรับความชั่วมีสติมันก็ทําความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ไปเลยทีเดียวไม่ได้ยากว่าคาสติเหมือนก็ออกแบบเหมือนกับเทพูนลงใส่เสาเไม่เข้าแบบก็แบบเป็นขยะไปได้ไม่ได้ยังมีอยู่ในแบบ ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดให้มีสติสตเวลาพู ด, เ ว, พดเวลาทำราคิดรู้สึกตัวอยู่มีสติส ต, ต้องหัดถ้าไม่หัดมันไม่เป็นหัดมันจึงค่อยเป็นนีกาก็ผิดศีลผิดธรรมได้นีใจก็ผิดศีลผิดธรรมได้เพราะไม่หัดหลง ถ้าหลงพูดผิดทำผิดคิดผิดเรามีความรู้หรือมีความหลงมากกว่ากันอายุลงมาถึงวันนี้ปูนนี้ต้องตั้งต้นดูอาศัยกรรมฐานอาศัยแบบเนี่ยผู้ฉันเขาขมีสติเยชันออกมีสติพระเจ้าทําอย่างนี้จึงได้เกิดพุนธุเจ้ า, านี่ศาสนา รักษากายรักษาใจแต่ก่อนไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเรียนมาหลายศาสตร์สิบเกตศาสตร์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าต่อมาศึกษาเรื่องสตินี่เข้าลนะเป็นพุทธเจ้าเรามาถึงพวกเรามีอนิสงส์มาถึงพวกเรานี่เรามาใช้ สูตรนี้ก็มันเดียวกันสติอยู่กับเราเวลานี้รู้เฉินเข้ารู้สึกเกียดเฉินออกรู้สึกกับอยู่กับผู้ทิเจ้าหายรอยปีมาแล้วก่อนปริภานสี่สิบห้าพันศานับตั้งแต่วันปริภานสองพันห้าร้อยห้าสิบสาบวกสี่สิบห้าเข้าไป อันมีบาดานแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอันนี้อยู่กับผู้ทีเจ้าว่าอันเดียวกันกับอยู่กับเราเดี๋ยวนี้อยู่กับใครก็ตามถ้าเป็นกายเป็นใจอันเดียวกันหมดมนุษย์ในโลกนี้เป็นคนเดียวกันหมดมีกายมีใจเหมือนกันเราลักษณะเหมือนกันเกิดเจ็เจ็บตายเหมือนกัน ความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ความเลิกความเฉียดชังเหมือนกันมีร่างกายมีเจสาขนผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายผมขนเล็บฟันหนังเนื้ อ, อกระดูกยเยอะนกระดูกมาหมอเจตับไตปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอ่านไหม่อ่านเก่ า, น, าน้ำมูกน้ำลายน้ำมันน้ำตาน้ำหูน้ำหนองน้ำเลือด อันเดียวกันหมดเลยไม่ใช่คนละเอยียหลงก็หลงแบบเดียวกันถ้าโกรธก็โกรธอันเดียวกันทุก็ทุกอย่างเดียวกันทุกก็ห้องหายดิใจของวโละเหมือนกันหมดตัดโลกเนี่ยมีสติอันเดียวกันเลยไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ฆราวาส ว่าจะคนหนุ่มคนแก่อันเดียวกันหมดสติเนี่ยไปอยู่กับคนแก่ก็คือสติอยู่กับคนหนุ่มก็คือสติอยู่กับนักบวดคือสติอยู่กับพรลาวาตยอดยงคือสติมันเป็นอันเดียวกันสนากลตัดไว้ดีอย่างนี้พระธรรมจะเป็นคนละอันไม่ได้สัจธรรมเป็นอันเดียวกัน เราไม่น่าจะสงสัยเราจึงมาตั้งต้นกันเถอะใช้สถานที่อย่างนี้พออยู่ด้วยกันได้ไม่ฟุ่มพวยเกินไปไม่ฟืดคลางเกินไปพออยู่ได้จึงมาประกอบขึ้นมามีศรัทธาบ้างมีความเชื่อมาบ้างเป็นพื้นฐาน จ ะ, จะเปรียบก็เหมือนเนื้อหน้าศรัทธาเหมือนเนื้อหน้าความเพียรเหมือนน้ำฝนสติเหมือนข้าวปลูกสมาธิคือเปลี่ยนไล่เป็นดีเหมือนกับค้ากับไถมันหลงเปลี่ยนเป็นลูกให้มีกำลังตรงนี้อย่าให้หลงเป็นหลงมันง่วงเปลี่ยนเป็นความรู้ตื่นขึ้นมา มันโกรธเปลี่ยนเป็นความไม่โกรธมันทุกข์เปลี่ย น, น, นเปน็นความไม่ทุกข์ปวดไถเหมือนพลิกหญ้าลงไปถ้ามันมีดินขึ้นมาจะได้เหมาะแจกันปลูกสติก็หลงก็ง่วงเธออะไรยัง ย, งยกมืออยู่ยังเป็นกิริยาไม่ใช่กรรมกรรมมันต้องเป็นผลกาตัตกรรมไม่มีผล กานั่งสร้างจังหวะอย่อยหมกมุ้นคุนคิดมันก็ไม่มีผลแต่เจตนาใส่ใจรู้ถึงตัวส4รลู้หนึ่ง ล, ล, ล, ลู้สองลู้สองลู้สี่ลูห้าลู้ใส่ใจห7เจ10 11ดเ14สองสสสเนี่ย รู้สิบสี่รู้วินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งลองดูจะเกิดอะไรขึ้นพิสูจน์กันดูจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนจะไม่พาหลงทิศหลงทางนละเป็นคาตอบของเอง <Okay. S 1> เวลาหลงใครหลงไม่มีคนอื่นเห็นเราเวลาหลงเวลาลูลาลลาล่ต้องไปขอคนอื่นมาช่วยไหนะไม่มีประกอบขึ้นมาเลยให้มันลู่ขึ้นมา ความลองดูสัมผัสลองดูมันจริงไหมความหลงจริงไหมความรู้จริงไหมความโกจริงไหมความไม่โกจริงไหมความทุกข์จริงไหมความไม่ทุกข์มันจริงไหมสัมผัสอทว่าสัมผัสสัมผัสที่ว่ากายใจพัฒนาหานเ่ดูสัญเจตราหัน พัดสาหารวิญญาณอาหารกินเข้าไปให้มันสัมผัสความรู้เข้าไปเป็นอาหารใจสัมผัสความหลงก็เป็นโทษของใจกะว่าเหล่งกอาหารอาหารคือคำข้าวกลืนลงไปแปรเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตเป็นกำลกะะหลังกะว่าเหล่งกอาหารอาหารคือคำข้าว พืนลงไปในลําคอไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกําลังเป็นชีวิตเจ อ, อเจ็เจะตายพัฒนาหารมโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารทางวิญญาณทางใจกินลงไปสัมผัสลงไปไม่มีเกิดไม่มีเจ็ไม่มีเจ็บ ไ, ไ, ไ, ไม่มีตายนั่นมีอย่างนี้แต่เรา ไม่ค่อยมีอาหารปเปรี้ยเพรื่นจังจนจนอาหารเพรื่นี่คือโกดั้นแหละจะได้ว่าขาดตองนั่นทุกนั่นแหละขาดอาหารอาหารใจอาหารกายอ้วนใหญ่เหมือนไก่หมูขึ้นต่อชูช่างขายบ่มีค่าถ้าขาดอาหารใจไล่ทำหมดราคาเราจึงมาจิ้นอาหารใจ เด็วันนีมันจะอิ่มขึ้นมาบ้างไหมมีสีสันขึ้นมาไหมมีสติก็รักความชั่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์มันก็จะเกิดบุญเกิดกุศลเกิดเมื่อเกิดผลขึ้นมาความหลงเป็นขั้งสุดท้ายความโกรธขั้งสุดท้ายความทุกข์าั้งสุดท้ายได้ถ้าเราหัด ถ้าเราไม่หัดก็โกรธจนตายหลงจนตายทุกข์จนตายมีค่าอะไรชีวิตเราอะไรคือชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรมันมีแต่เห็นเห็นไม่เป็นเห็นหลงรู้นานไม่มีหลงเป็นหลงหลงไม่เป็นหลงทุกข์ไม่เป็นทุกข์โกรธไม่เป็นโกรธเปลี่ยนเป็นปัญญาไปเลย ปัญหาเป็นปัญญาไปเลยต้องทำเอาเองไม่มีใครช่วยท่านได้รักกันสามีพัญยารักกันก็ช่วยกันไม่ได้พ่อแม่รักโลกโลกก็รักพ่อแม่ก็ช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ได้ใครก็ตาบต้องเป็นของใครของมันพระธรรมอันพระผู้มีพาคเจ้าตัดไปดีแล้วอย่างนี้ ผู้ศึกษาจะต้องทำด้วยตนเองได้ทันทีอยากรู้เวลาไหนก็รู้ได้เอากายมาประกอบเป็นวัสดุอุ ป, ปรกรณ์ผิดออกมาได้ทุกอย่างหายใจก็รู้ได้คืนน้ำลายก็รู้ได้เดินก็รู้ได้ยกมือสร้างจังหวะก็รู้ได้เวลาใจที่มันคิดไปก็รู้ได้มันคิดได้ทุกโอกาส ยไม่ได้ตั้งใจนะเวลานอนก็งคิดนั่และโอกาสที่จะรู้มานะ่ะจะนกดีนอนปฏิบัติก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แก็ทีนี่ก็เหมาะอยู่ในป่ายินดีบ้างไปคนเดียวบ้างจะเลีกไปคนเดียวมีสติคนเดีย ว, ว ปฏิบัติคนเดียวหลุดพ้นคนเดียวไปที่เดียวกันถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันผ่านหลงเป็นลูกผ่านง่วงเป็นลูกมันจะเจอภูเขาลูกแรกต้องมีปัญหาที่นอนนึ่งและง่วงเหงาหอนสองคิดพุ่งสางสามห ล, ลังเหลสงสัยอะไ หลวงตาสนอนเลยที่นี่อย่างนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ฉันชอบอย่าเอาเหตุเอาผลมาตอลองเหตุผลไม่ใช่ใชจะจะทำไม่ใช่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบถอนความชอบถอนความไม่ชอบออกบามีสติแล้วลอยู่ั่นเราถูกต้องกอารมลาคาระปฏิคพระปารทิฏฐิเพิ่นภูเขาลูกได้มีตัวมีตน ในกายก็มีตัวมีตนร้อนคือกูหนาวคือกูหิวคือกูปวดเมื่อยคือกูดูดีๆไม่ใช่กูเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นถ้าดูดีต่อไปมันจะเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเป็นอาการเล็กน้อยถ้าเห็นเป็นกายก็เป็นกูแล้วกูร้นกูหนาวกูหิวกูปวดกูเมื่อยถ้าเห็นเป็นรูปมันเป็นอาการ อบคุณความร้อนขอบคุณความปวดความมื่อยขวบคุณความหิวมันเป็นอาการธรรมชาติของเขาเป็นสัญญาณไผ่ถ้าไม่มีความหิวความปวดมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อลูกมันเป็นอย่างนั้นต่อต้องอดลูกวางอย่างกําหนดลูกโดยการลูกเฉยๆบางอย่างกําหนดลูกโดยกยารบันเทาเปลี่ยนใหม่นั่งอยู่น ล, ล้างไปลูกขึ้นเดิน หนูก <jam Stadium> ็ช <SCOTT> <K Aub ain> ิ่นเข้ามันเท่าบางอย่างกับลูกเฉยๆมันเท่าก็ไม่ได้เช่ไม่ได้เช่นหายใจเข้าหายใจออกเช่ไม่ได้ไม่ไหวจะไม่ต้องหายใจแต่มันไม่ได้จะต้องหายใจมากๆก็ไม่ได้ต้องเป็นไปตามบาการของลูกเป็นอย่างนี้กําหนดรูกโดยการลูกเฉยๆ ปัญห า, บ า, าบางอย่างทุกบางอย่างก็รู้โดยการละเป็นความโกรธกัรมรคะมาละทิฐิกาหนดรู้โดยการละเลยละไปเลยอย่าให้มันมีเป็นแผเป็นในชีวิตเราบราทีโกรธเป็นแผลเป็นพอใจที่จะโกรธเวลาทุกข์ก็พอใจที่ทุกข์มันเป็นแผเป็นเลยติดเราไป มีลอยลอยแผล่ไหนใจลอยลักก็มีรอยแค้นก็เสียใจก็มีเจ็บปวดมันมีเผล่อเผลอเป็นเพราะมันโกรธกันมาลูกทันทีเปลี่ยนโกรธเป็นลูกเวลามันทุกข์กันมาเปลี่ยนทุกข์เป็นลูกมันไม่เหลือรักษาเยียวยาสู้ ม, มัน ชวิตเราเหมัอนรถมือสองชนมามากแล้วเจ็บปวดมาหลายครั้งแล้วมีรอยอะไรบุบบิบมารอยลักรอยแค้นรอยโศกรอยทุกข์รอยได้รอยเสียสารพัดจากสารพัดจากของรักของชอบใจปถาถหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแ่นใจถูกความทุกข์ย่างมาแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วต้องเกิดแจ็เจ็บตายแน่นอนเราจึงต้องเตรียมตัวให้มันเสร็จซะเสร็จเลยตั้งต้นจากสติตลางกลางคือส ต, ต, ติที่สุดคือสติมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่จบเลย ถ้ามีหลงแล้วเลือยู่ไว้แต่โลกงง่ายเสียใจแล้วมีสติจะสุขไม่มีอะไรชีวิตมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรชีวิตนะถ้ายังสุขยังทุกข์ยังพอใจไม่พอใจไม่ใช่ชีวิตเอาชีวิตไปห้องให้ไปแขวนกับสุขกับทุกข์เอากายไปให้เป็นสุขเอากายให้เป็นทุกข์ ให้กายให้ใจเป็นสุขให้ใจเป็นทุกข์มันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่กายเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เราไม่ใช่ใจให้เป็นสุขกับทุกข์เราจะไม่เป็นอะไรกับมันเลยเราจะเป็นใหญ่กว่ามันเราจะไม่เป็นอะไรกับมันเนี่ยสิทธิของเรามีสิทธิร้อยเซ็นเวลามันโกรธมีสิทธิไม่โกรธร้อยเปอร์ใช้สิทธิของเรา เวลามันทุกเราไม่สติไม่ทุก1 0ร้ยเปอร์เซ็ต์ใช้สิทธิของเราปล่อยทิ้งทำไมสละสิทธิ์ทำไมบางทีไปพอใจในความโกรธถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมถ้ากูได้โกรธก็ไม่ดา่ามันก็ไม่ยอมถ้ากูได้โกรธกูต้องฆ่ามันไปกันโน่นตอนนั้นถ้าหยุ ด, ยดสะมันก็ไม่มีอะไรทุกคนดูแลตัวเอง ให้ปลอดภยัยอย่าให้มีทุกข์เป็นโทษต่อเราถ้าเราไม่มีความเป็นธรรมต่อเราจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนอื่นเต็นไไม่ได้เราต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นหนึ่งชีวิตของเราก่อนนับหนึ่งจากตัวเราก่อนอยา่าไปนับคนอื่นเห็นคนอื่นไม่ใช่ชี้โทษคนอื่นไม่ได้ จงขี้โทษตัวเองสติจะมองตนอยู่ดังนี้เห็นตัวเองแก้ตัวเองจงเตือนตอนด้วยตนเองนะภิกษุทั้งหลายจงแก้ไขตนด้วยตนเองนะภิกษุทั้งหลายจงมีสตินะภิกษุทั้งหลายเธอจะอยู่เป็นสุขสงบแล้วพระเจ้าสอนดังนี้ไม่ใช่เออไปอยู่ปสัสกสามดูนะ ไปมีบริวารมามากนะศีรถะเป็นมาแล้วในบ้านตั้งสามฤดูฤดูร้อนฤดูหลังหนึ่งฤดูหนาวอยู่หลังหนึ่งฤดูฝนอยู่หลังหนึ่งแต่พระองค์ไม่ได้ตัดจะลูกระดับจะลูอยู่พี่ต้นไม้มีหญ้าคาข้ากำมือปูนั่งเขานั้งเองเป็นพระที่เจ้า สูตรก็ที่ป่าที่ดินแต่จะลุกก็ที่ป่าที่ดินแต่แดงทำก็ที่ป่าที่ดินป่านี้พ่านก็เอาหลังนอนลงไปบนดินไม่มีก็ดานพื้นปูมีผ้าสังขาติอาโนนปูให้นอนลงไปถ้าพระเจ้าจะนอนไม่ลุกอีกต่อไปแล้ว ประสูดที่ป่าตัดชะลูดที่ป่าแสดงทำที่ป่าป่าลิขิตพานเขาที่ป่าให้ยินดีอยู่เฉยนาสนะอาจจะงดชักหน่อยอย่าคุกขี่แม้เราอยู่ในป่าก็ยังอยู่ในบ้านไม่ใช่หมกปุ้นคุณคิดไปอยู่ไม่ได้สงบขึ้นไปสงัดกันไป มันเคยคินชีวิตบางทีอยู่ดีๆลองดูหิมันยอดเยี่ยมจริงๆนะป่ามันเป็นมิตรของเราเป็นแต่เพื่อนให้แต่ความสูกปล่มเย็นมิตรแท้ป่าเป็นมิตรแท้ให้แต่ความสูกปล่มเย็นโดยพรป่าที่นี่ห้ารอยไร่เนี่ยไม่มีสารพิษเคมีใดๆทั้งสิ้น ไม่เคยใช้สารพิษเหยียบได้บนเม็ดดินไม่มีโทษไม่ภีภัยน้ําที่ไหลลงไปในสระน้ําในป่าเนี่ยซึมลงไปไม่มีน้ําไหลเข้ามีแต่ซึมลงไปดินนี่ยังไม่ตายน้ําซึมแต่ดินที่ไล่ชาวนาชาวไร่มันตายแล้วดินไม่ซึมเวลาฝนตกคนร่อยไม่ซึม นี่เห็นหน้ำไหลหน้อยมีแต่มันซึมลงไว้ไ ม, ไม่แต่เราขุดลองขุดล่องจึงมีและเบียบอย่าขุดดินที่นี่อย่าขุดล่องเวลามันไหลก็ให้เอาอะไรไปขวางคันไว้ให้มันกระจายเคลียร์แต่เห็นหน้ำไหลที่ไดแล้วก็ให้มีขอนมีอะไรไปขวางไว้ก็ดีอย่าให้มันไหลให้มันซึมลงไปนึกพออยู่กันได้ อย่าไปเปรียบเทียบอะไรอยู่บ้านของท่านมีตู้เย็นเสื้อผ้าอาพอดมีมากอยู่ที่นี่เรามีผ้าสามผืนต้องใช้ชีวิตผ้าสามผืนลองดูประหยัดตรรมเระวังอย่าให้เหม็นสาบเหม็นข่าวเวลาซักอย่าบิดอย่าปั้น ซักสะอาดแล้วก็พาดราล่ให้หน้ามันไหลมาจาัจนะลีบเราใช้ชุดหนังเด่๋น้อยต้องได้สี่ปีประหยัดได้แล้วก็ประหยัดมีสติมันจะไม่สิ้นเปลืองกินอาหารก็กินอาหารอันที่ย่อยง่ายๆอย่าไปกินอาหารชิ้นดิบๆสุกๆเพื่อนของเราอยู่ที่นี่แต่เป็นโยมกินอะไรก็กินมาก บ่ามาบวชได้ยี่สบสามสี่ปีลูกมันเกิดมาตั้งแต่เป็นโยมโน่นมันเกิดมาตแต่เป็นโยมโน่นเป็นโลกตอบเสียคิดไปไม่ใช่มาเป็นโลกเพื่อบวชมาแล้วมันมาตั้งแต่ก่อนโน่นแล้วนั่นเราเริ่มต้นซะเริ่มใช้ชีวิตให้แมน่นยอมชัดเกินทำอะไรมีสติลองไปลองดูช จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านไม่ต้องคิดอะไรอยู่ที่นี่ให้ทํางานแบบนี้จะกินอะไรไม่ต้องไปคิดโศตายแต่นอนตรงไหนไม่ต้องไปคิดโศตายลองดูวก็ ค, คงไม่มีการปล่อยที่งกันเราจะดูแลเดือดร้อนเลยถามอาจารย์สงสินอาจารย์โนดเป็นรองชาววา่าชาวว่ามาอยู่อาจารย์ไปสารอยู่ภูหลง มหาวันแต่เราก็เคารพท่านอยู่เน่กรูปทุกองอาจารย์นอดเป็นลองเจาวาผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ที่มีสามลูกผู้ปฏิบัติหน้าที่มีเจ้าวาดลูกที่หนึ่องเจ้าวารูปที่สองผู้ช่วยเจ้าวาดเดกลูปที่สามมัดบางใหญ่ห้ารอยไร่กติทั้งเป็นร้อยรยหลังคนก็พอมีมาก ถ้ารูปเดียวไม่พอใจเราก็เคารพ ก, ก็มีอะไรปัญหาอะไรก็บอกสอโนตสุธิศาสต์แล้วเท่านี้เสียงของตาพันอาภัพแล้วมันหมดแล้วหมดโอกาสจริงๆนะอยอดโจมเ อ, อาภัพเสียงไอ้ลอยมันตายไปหมดเลยลีนก็ยังแข็งอยู่นะไอ้รื่อยจะอยู่ได้เท่าไหร่ั เดินจากกติมาทำบัดก็เหนื่อยเดินจากกติไปฉันข้าวก็เหนื่อยเดินฉันข้าวเสร็จแล้วมา ก, กติก็เหนื่อยหมดจริงๆแรงเนาะแรงน้อยหมดเลยแล้วแต่ชีวิตมันไม่เป็นไรนะ่ะไม่เป็นอะไรนี่คือเรามาชีวิตไม่เป็นอะไรกับอะไรนะยอดเยี่ยมที่สุดมัตฐาน มาตรถามชีวิตเราเราบังคัดตรงนี้เห็นอย่าเป็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงได้ประโยชน์จากความหลงแต่หลงไม่เป็นหลงกลายเป็นคนรู้ฝ่ายทุกไม่เป็นทุก์กลายเป็นคนรู้ฝ่ายได้ประโยชน์จากความหลงได้ประโยชน์จากความทุกขปฏิบัติธรรมเนี่ยนะได้ประโยชน์จากความไม่ใช่ตัวตนเยอะแยะเลยทีเดียว แต่คนธรรมดาเอาเป็นทุกข์เอาเป็นโทษแต่พระเจ้าเอาเป็นประโยชน์ผู้ใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขาร น, นี่ไม่เที่ยงนั่นแหละคือนิพพานพรเจ้าเห็นอยาน่างนี้ยิ้มในความไม่เที่ยงผู้ตุชนลงให้พวกเขามไม่เที่ยง พระเจ้าเห็นเมื่อใดปุคชลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์นั่นแหละคือนิพพานพระเจ้าเปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติอยา่างนี้เปลี่ยนล้ายเป็นดีอยา่างนี้ปุชนเอาทุกข์เป็นออทุกข์พุทธเจ้า อ, อกทุกข์เป็นนิพพานเปลี่ยนล้ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นหลงนั่นแหละเป็นรู้ดีขวัวหลง มันโกรธเป็นรูมันทุกข์เป็นรูเรือกเปลี่ยนรายเป็นดีมีไหมมีหลงไหมเปลี่ยนมาเลยเป็นรูมีโกรธไหมเปลี่ยนเลยเป็นรูมีทุกข์ไหมเปลี่ยนทุกข์เป็นรูถ้าไม่เปลี่ยนมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้อ้าเปลี่ยนเป็นรูเป็นกระแสแห่งพระอยจะทุกข์เป็นทุกข์กระแสแห่งนรก มันดึงไปต่อทุกเป็นลู่ปล่ยกระแสภายในพาดผู้ได้กระแสเขียนอย่างนี้จเจริญชติปัฏฐานได้กระแสแห่งมรรคผลนิพพานใต้ทุ่งอรุณเหมือนแสงเงินแสงทองเวลานี้ขึ้นแล้วลุ่งอรุณแล้วผู้ที่เห็นหลงเป็นลู่ลุ่งอรุณแล้วถูกต้องที่สุด ทุกโกวความหลงเห็นโกรธเป็นลูกเห็นทุกเป็นลูกถูกต้องกวความทุกข์ความโกรธรุ่งก็ลุนแล้วเรียว่าได้กระแสแห่งพระเนพานลเร้จะไม่ไปเลยจะดำมือดอยู่นั่นเลยเปลี่ยนทำดำเป็นคำขาวซะทำดำคือหลงทำขาวคือลูกทำดำคือทุกทำขาวคือไม่ทุก ทำดำคือโกรธทำขาวคือไม่โกรธจงพระทำดำเสียแล้วเจริญทำขาวโอคาอนคามาค า, าวเวเจยตาทุลมังจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำได้ยินบ่เจ้าเรียกอยู่น้อกบเบือเราเรียกอยู่น้ะเรียกเราอยู่น้อมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำ ไปหลงทำไมไปโกรธทำไมไปทุกข์ทำไมผมไม่หลงมันไม่อยู่ผมไม่โกรธไม่อยู่ผมไม่ทุกข์ไม่อยู่ขึ้นมานีมานี <c oughs> <c oughs> เอว่าก็มีด้วยประการชนี